สั่งการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ความทุกเพื่อเพ่อเพื่อเพือือาศื่อเพือเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพ่เพื่อรพื่อศพื่อเพือเพื่อเพื่อเพอเพื่อเ่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อรื่อเพื่อเพื่อเ่เอเพื่อเพ่อเพืเอเพื่เอเพื อะไรเงี้ a a ยเลยหลอดยิงไปตามสัญญาล้มถือมาทานด้วยการวนคิตใจคือว่า ỉ, ท่านบริกรรมบนนี้ทา่านคิดท่ทานใจเขาเข้ า, า, าให้เขาถึงถึงความสงบเย็นดายส่วนสารปล่อยคิดลอใจไปตามสัญญาล้มอปลอยปล่อยมากเห็นเร ล, า, ลนานมน่านบอกเลยับความคิดความสบายจากการปล่อยนั่นน ด้วยทิงข้อ oh, ม okay. e. well, ีความรู้ความสบายตัวตนที่ข้อใจของเขาเข้าใจไหมพุทธอบรมนักสติตั้งคิดตั้งใจบริกรรมจริงจังคือบริกรรมพุทโธทำโม่กว่ต่างสังโม่กวต่างนั่นคบริกรรมเสียสาโลมากก็ต่างบริกรรมยุ่หันเกินคิดของเขาการทาบริกรรมนันเป็นอันเดียวกัน บ่ได้วอกแหวนพร้อแช่นไปตามสัญญาอารมณ์อันใดพุทโทษทัน้นใดคิดใจแต่อันนั้นเป็นอันเดียวกันอยู่เช่อมคิดใจเรงร่วมเหนร่วมล่งไปเอามึกบ่ได้ครับอย่างสีมาบริรรมคำ้นั้นขนหนึ่งคอยคิดมั น, มม น, มนร่วมคือมันร่วมจากสัญญาอารมณ์ทั้งหมดลงไปร่วมอยู่ กตอันเดียวอย่างว่อาอกาตาลมนีม่จะทำรูกเกป็นหนึ่ง เ, เท่านั้นอันอื่นไปเหนไหมเดียวของตัว่านยิ่งใดจะคิดเพื่อนนั้นถอดถอนมากยังิใจนหน้าจรงอื่นใดหากคิดมันลงมันร่วมอยู่ยางนั้นทีใหญ่น้าอันใก็่าใดองค์จักรจะแก้กล้อมเป็นหนึ่งงใส่อยู่กันความทุก ทิดร่องร่วมเนี่เขาถืเหตแต่จากในเท้าผู้เท้าเิดเท้าทำหลัความสุขเห็นเป็นความสุขที่ดีเด่นเป็นความทุขที่เห็นได้เนีอาจังฮะเด่ไในแต่านสี่ได้ด่บยเด่นบ่ได้เห็นบ่ได้เรื่องไรแกการปฏิบัติภายในทางใจเท่านั้นความเห็นดังี่เท้าเกิดขึ้นมาหลายปีหลายเดือนบ่เคยแต่เพบเห็นเพ่งจะเห็นในกาลนี้สมัยนี้ พระพุทธเจ้าเป็นหูเป็นห็นความสุขดีเด่นยางน่เป็นจงเนตรสาสงสารทรงเพื่งสอนประชาช้นและเมื่อผูหมุมงดีรังดีหาความสุขให้ก็คือวยปฏิบัติขัานพิงขร้นลงร่วมของจิตเป็นความสุขที่เหนือโลกเป็นความสุขที่ประจาก สำหรับกูต่อสืบปฏิบัติเมื่อคิดลงร่วมใดถ้าวใดข้าวหนึ่งแหลกนอกจาสิ่เชื่อมันในการต่อสืบปฏิบัติท่ำมผลการต่อสืบปฏิบัติท่มเป็นของสําคัญยิ่งจะกินทั่วไปในโลกอยากเลยดอยากท่มอยากหูอยากเสียนกระทับใจอยู่ย in ังนเพราะความเปลี่ยนมันแตกจากแม้เหนือเวลามันลงมันร่วมใจมันได้รับความสว่างสายใจมันได้รับความทุกความสบาย คิด ร, ร่วมร่วมมันถือว่าเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตของใจเมื่อคิดร่วมร่วมได้เขาพิจานณาเ่องไดจิตเคยคิดของของชานิิเคยคิดเคยอ่านจิตเคยหุ่นเคยไหวมันหายไปได้ไข่ไข่ครับเหนีดกับผากครับดาบของเฮาแต่เฮารับเฮาฝนพ่นจิตหรือไปสั้นอันใดก็บา จิตของเขาออยูธรรมดาชื่อเอกชื่อชาติที่มันที่ลืมบ่ได้ฝนเดลวรบจะเสียใส่ชารอีเงี้มันจะเสียเวล่าขาดบ่ได้ง่ายได้ยรับใจของเขากาถนามีจิตที่ร่วงร่วมเป็นสมาธิจิตมีความตั้งมันที่จะหน้าธาตุขันจะเย็นกระจัดอีจะหน้าอันใดกับ ใ, ใ, ใจชัดเปลี่ยนเป็นการละการบำเพ็ญไปได้ กันกระเสรนเอย่างคิดเรื่องใจที่ลงร่วมเข้าถึงด้ยปุ่งการล้าขั้นคิดอ่านหน้าหน้าประการพอเ้าบัท่านเห็นอันนี้ส่งของความลงร่วมของใจเขาจะตัดท่าความเสื่มันยังมีน่อยบางขี้กะอดกะถอยกะหดกเรยื่ได้ไปเมาเอาวาเข้าอย่งเป็นผู้ถือบแต่นะหน่อยบุญหน่อยเหบ่ได้ทำบัเป่งชืคนความิงเขาเหตุ ไปถึงมั่นหันทถึงมั่นล่ะเป็มอยู่สู่ข้นหันละเละขาบุญมันข้นบุญหน่อยบาดตะนาหน่อยเป็ น, นข้นสี่สมบูรณ์ถูกจริงถูกอย่างสี่มนุษย์นี่เขาเป็นญญปุน้ยนีงแต่เป็นปุ้ยนีงเป็มพุ่มของปู้ยนีงเป็นปู้ยไส้แเป็นปู้ชไสเต็มพุ่มของปู้ยไสเบออาพับอับบาดตะนาส่วนใดเกิดแตเกิดขึ้นมาแล้ว <c ười> จีบแต่ยังเย็นยองคงอยู่แล้วกัน สะดับเาฟร้างเขาก็เคยสดับเาสร้างมาแต่ที่ปัญญาถึงเคยไร้เหรอหล่อนบอกเคยสร้งมันเอาอันไหบอได้เหรอเมื่อนมันจับแจงดิ่ใจตามปัญญาอารมณ์นั่นคือเขาบอเคยฝึกคยอบรมเขาหาเขาเคยฝึกเคยอบรมเขาในใจมันเข้าไปถึงขี่ลงล้วนได้แล้ว คือจะได้หน้าอันใดใบแจ่มใสมันบริวาวิสัยการเกคิดเพิกใจภูติเจ้าจงสอนอยากให้ปวกหัทั้งหลายเพกคิดลดลมใจของตนก่อนเพิกการลดลมเราต้องเชื่อมันเราต้องท่ามได้เราจะเป็นคนคนหนึ่งเราท่าบัวได้โลกอันนี้บริวารวิสที่ท่ามได้ให้ตั้งใจเแสงย่างนันแล้วท่ามกันจินจังให้คิดมันต่างหมันได้เห็น ถูกเห็นไข่เห็นดีเห็นเด่นของความเปลนของจิต่ะจิตได้เล้งได้ร่วมได้เป็นขังเป็นข้าวเป็นการเป็นสมัยก็ดีได้ซือว่าเข้าเป็นผู้ถิ่นนิ่ข้ามสุขพอเป็นโมฆะมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้อุตสาหพยายามได้คุนงามข้ามดีเพื่อนิจิตตั้งมั่นนิจิต ยังต่งจิตเป็นถ้ำบริล ล, ลุมหลงเโลเล่ยังจิตธรรมดาเห็นจังวาการภาวนาคือการแต่ถ้ำให้เกิดไนนี่ขึ้นยิงไรที่มันบกท่านเกิดท่านนี่สีตะพุจธเจ้าตล่าไหวเขาถ้ำให้มันเกิดมันนี่นขึ้นเพราะแตจิตมันก็ได้อยู่ในจอื่นนี่อยู่ในสัว ข, ของเห่ า, าคือความลึก ปัญญาแต่ว่ามีสีในสีอื่นชื่อชื่อหลอหลูกมันอยู่ในห้าวทำมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันอยู่ในห้าวทั้งนั้นเมื่ว่าสักีประชานทียิ่งสมาติท่านทียี่ที่บาททีอินที่หาพระละหางปวดช่วงเขียมากนีองศาตร์ย่อมอยู่ในสายในใจของห้าวทั้งนั้นเมื่ไใดอยู่น้ำสู่น้ำทำที่อยู่ในเัวของห้าวมีสมุญหาเข้าที่คนเปิดฝนอลรมทํำ คือเป็นเราไหวไงจำรับจำล่านั่นเป็นํารับําล่าของจิตม o m e n นตัวของจิตแข็งม o m e n นตัวของถ้ำแข็ตัวของถ้ำแข็คือตัวของเข้าเข้ากับคิดตัวเป็นทถ้ำหรอกจำรับําล่าทีละใอย่างใยจิตใจของเขากับเป็นไปอย่างน่ะดจมีซ้อมเกิดความเพลินความสุขความสบายบอมีซ้อมหงอยเหงาหน่อยเหนื่อยตามใจไม่เหนื่อเวล่า เกิเย็บไข่ได้ทุกมากตัดีหรือในเหนือจริงสีห้องรักห้องสอบใจคัดขากจากใจตัวดีเขาอห้องเห็นเป็นธรรมดาหินจีแกน่ารอบเข่อในเหลี่ยงฟังฐานจิตอามถั่วถึงแล้วมาว่ากายคนกายโตเป็นของบังทีร่งอยางยื่นเป็นของโปกโป๊กโป๊กโขกเป็นของลมหายตายไปเขาของใจชาดเหยนยิตใจอาศัยกาย แกบวกลงตามกาศอยู่สะดวกสบายเอกะเทียมแก้มันคือเขาฝึกเขาอบลมมันไหนรับความจุความสบายยังน่ะครู้งสอนอยากให้ฝึกให้อบลมจิตใจมานจิไปฝึกในเหมือเวลาตายไปฝึกเนืเวลาเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละฝึกฝึกใจทาคุณงามความดี่วนได้กัทําได้แต่เหมือเวลาเขายังมีชีวิตอยู่ เมื่อตายไปแล้วท่าบ่ได้ห่างตายไอหนี้เขาจีไปเผาไปจีไปขินไปฟังบ่นไดมั่นเถอะเมื่อมีปัญหาเป็นธรรมดาของมันยางนั่นเขาคิดได้ย่างนั่นการคิดคิดเอาร่วมใจการต่างทุ้งนมความดีไปตัวของเฮ้าเขาก็หลีดเด่งพ้นควายไปตามอํานาจวาสนาของเฮ้าบ่นอนจิตน้อนใจพวกพันทั้งร้ายจีอุตส่าแม่ แสดงหาบุญหาคุณสนตามอำนับต่างๆเพื่อความบ่นอนใจในชีวิตชีวิตอันนี้แจ้งวันิได้หัวมือไตวันสิแตกจิตแหลไลไปเฮ้าบ่นอนใจเฮ้าแสดงหาคุณงามความดีไรยึดใจต้องเฮ้าคิดถึงอย่างคุณงามความดีเมื่อใดอันนั้นเท่ากัได้เหตุอันนี้เท่ากับในสัตว์ยึดใจมันเบิกบานหันษา บ่เห็เหี่ยวบ่เดือดร้อนบ่คือคิดถึงความสุขต้องเตือนตีเฮ้าเก็บไปท่ามไปเฮ้าว้าไปเฮ้าคิดใส่หาคิดขึ้นได้การไดสมัยใดมันเดือดร้อนมันแฉะเถาคิตใส่ของเฮ้าในรับความทุกข์ควนความดีเฮ้าไดี๋ยวสั่งนท่ามบนไปหลพระสวดมนต์ เดินจงกรมภาวนาถึงเฮานางบ้านคนจากที่เหลือปัญหาเฮาแล้วล็กนึกได้คิดใจมันเกิเบิกบานคิตใจมันเกิเป็นทุขความทุกขของจิตของใจอาศัยการทําการผูดการคิตในทางทีดีว่ามันเกิดจากการอยู่ชื่อด้วยการทําจิตใจเหตุนั่นเฮาทุกคนที่อุตส่าห์ มาศึกษาสามาทาบุญเพนท่านากับครูบาอาจารย์ในสถานที่ต่างๆ่ต่อไหมฟ้องบาเล่ามุงหนามุงตาอยากแกะแสวงหาบุญกุศลซุกซ่อนซุกของใจเมื่อเขาทาไปแหละมาเป็นสุกในคิดในใจแล้วเล็กใจเมือ่อใดเป็นซุกในคิดของตพอเขาได้ทดีสถานที่ใดที่จะ้างซ ทังหลายเสนใจว่าเป็นเหนือหน้าบุญอันดีเท่ากัอุตส่าห์ไปหาทําบุญเพิ่ท่านในสถานที่นั้นๆเพราะสมัยนี้มันพอาะหาได้เหลือกได้วัดว่ากูบาอาจารย์นี่ผมไปตาเขานี่หัวเขานี่ใก่เขานี่เบ่งให้มันขัดตั้งให้มันขัดกีแกหน้าให้มันขัดจังท่ำไปเพราะ การทาบุญเช่นท่านเป็นหนาทีของภูมีปัญญาที่เียกหากจัดหาถ้าขึ้นว่นมันถ้าไปโดยซุ่มซีุ้่มหาถ้ำไปโดยซ้อมหยาบคายในจิตในใจภูที่มีปัญญาอุตสาพยายามทถาำในสถานทีส่สมคว้วนในสถานที่ข้าวหกที่ดีจริงที่เขาทํ า, าไปกับปวดที่ดอกกำไร ใบขนเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเห่าการภาวนาจะเป็นอีกแง่หนึง่งซึ่งเป็นทางสีท่านจิท่านใจให้มันคลองเท้าวอนเข้าไปยิ่งกว่าการให้ท่านอีกเพราะการให้ท่าการเสียบก็เป็นใหม่เรียบเหมือนเสียบข้องมันาการลักางศีลเสียบเนี้ยเหมอกเนื่ อ, อง จิตของมันการภาวานาเปลียบเป็นแกนของมันคิดใจท้องเฮาเมื่ออบลมยินดีจีแยนหน้าได้คิดใจลงร่วมคิดใจเสือความรู้ความสลาดไห้ชื่อว่าเข้าเขาถึงแกนท้องศาสนาแกนข้องศาสนาอันแม่นอนแท้จริงคือเรื่องของจิตของใจขีละสี่ถอนจริงจี่คิดที่ของได้ อยู่สะดวกสบายถูกการทุกเวลาบามีจิงไดตีมากก่อขวนญให้คิตใจพ้องเฮ้าหุ่นว่าหรือเดือดร้อนถึงหล่างกายหิบวยไข่ไถทุกต่างๆควนจิดใจบามีการป่วยไข่บามีทุกข่ายในแผลเขาเพราะเฮ้าไดที่แกหน้าละถอนความยึดมัน่นคื่อมั่นในขาดในขันในจิงในของต่างๆนีชือการภาวนาเป็นแกนของาศาสนา แก่แกนที่จะเกิดขึด้นได้จะอาศัยเปียกละ่ะขันบน ม, มีเปียกขันโมมีแกนดอก ท, าทา่านศีลภาวนาเป็นจันทร์เก้าว้ยเป็นสามอย่างคือแกนคือหมอกคือเปียกท่นเองศาสนาอยู่ได้ไหมจะอาศัยทายกทายิกาเป็นภูอุปายถามคำชู่ทายกทายิกาดูแลรักษา้าเจ้าพระสงฆ์ อยู่ตามวัดตามว่าตามปลาตามดงแต่อยู่ว่าได้เพราะอาศัยท่ายกทา ย, ยิกาทั้งนั้นสี่นอยู่ได้ทายกทา ย, ยิกาบำรุงรักษาศาสนาืิการให้ท่านพระเจ้าพระสงฆ์บ่มีการท่าหน้าขาค้ายบม่มีลายด่ส่วนด่ายสีมาเลียงห่างกายท่องท่านหที่ร่างอย่างยืนดด่นอกจากท่ายกทา ย, ยิกา หามาให้จังได้พดได้ชันได้ใสเด็กต่อยหนีเฮาให้ผาพร อ, อนสบายให้อาหารการบริโภคก็กคือเฮาบํารุงศาสนาบํารุงพระเจ้าพระสงฆ์บไดเต่างนาต่างสาประพฤติผลงานความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปเฮาคูทำยางนั่นระลึกเมกไบเฮากรดีใจบริเสียใก่ว่าเกิดมาบริเต า, าบุญพุ้นท่านอันใด ก็ลยทำทุกด้านถูกสิ่งทุกอย่างจริงเขาควรจะทำบำเพ็ใดีนเขากัพยายามรักษาตามกำลังศรัทธาความสามัของเขาสายของเขาก็เลยไปปลกชัวไปทำชัวต่างๆมาจากของเขาก็เลยไปดผีพวดหมดเห็จกัผู้ใดต่างคิดต่างใจผูดตามความจริงิีของเขากับวงวอกแวกเล่ยเลยเหีหันไปทางมีช้าชิดชิดไปซอว่า เฝ้ารักษากายว่าใจาของเฝ้าผู้ใดเป็นผู้รักษาแต่คิดของเฝ้าเหตุสีเฝ้าสีมาทำบุญคุ้นทานได้แตพอจิตมันไข่มันจิดอยากไว้ทำคุณงามความดีเราจะมาได้บวมนิ่งทำแบบบวนึก บ, บกจิตซัดท่าความเนืความศิษย์ด้วยจิตใจที่จะออกจากบ้านจากซองจากแสวงหาบุญหาคุณสมบัติตนึกคิดมา ก, ก่อน ถึงกองมันจะมโนผุกข้างสม่าท่อม่ายึดใจเป็นหัวหน้ายึดใจเป็นผู้ถึงกองจิตปวดจิทำอันใดได้ซือว่าเฮามาแสวงหาผลงามความดีเท่านี่เฮานึกแล้วคิดแล้วออกจากกองจิออกจากบ้านจากเนื่องของเฮ้ามากสารมากดูวัดว่าอาวัตมาดูศาสนามาดูผู้บาอาจารย์เฮ้าก็รู้ปลอบล้อมคิดใจตามข้ามสอนผี่เป็นไห้ไว เราสีกำหนดพุทโธก่อตามหรือกำหนดลมหายใจก่อตามตั้งจิตตั้งใจกำหนดจริงจจังจังยาสีไปแลนตามสัญญาอารมณ์ความนึกมิ谛ส่วนอื่นให้ปลูกยึดมั่นในทิ้งนั่นถำกันจริงจริงจังจัง้ต่จิตของเฮาเมื่อมันมีเศษจิเป็นเสีองประทับประคองไว้มีปัญญาเขียนสอนบ่าให้มันไปคิดอ่านฝูงแจงในเร่ยงไม่ เรียกจอยเรหันเรื่ยๆเข่าจิบข้าเข่ากคอยสงบเขาอยากเย็นเขาเพจีบสับแต่รงร่วมไขมันร่วมเหรมันนี่ส้นชุกมันเป็นสาระประโยชน์ของสีบาร่วมมันเป็นของสีกระจายใจใเป็นของจีใส่การใส่งานบ่ได้ชื่อการก็ไม่ันเอาบอเอามาร่วมกันเขากระเบื่องกุดีเบื่นบ้านเดินเพื่อนนว่เอาร่วมกันเข่าเขาก็ยุคว่าเข่า คือตรงอันใดทิมใบคนละแหงราหนเอื่นบ้านเอื่อนที่อันบ่ไดเอามาร่วมเข่ามาปุกเป็นหลังเข่าพวกเอื่นบานเอื่อนที่อนเอื่นกูดีวิหารอาหารพวกเข้าแต่ตรงร่วมจะเป็นอาหารเป็นต้มเป็นแจงไดโมเมนต์แบบคิดอยู่วันนึ่งหนำปลาอยู่วันหนึ่งอันใดก็อันใดแจงแจงบอลเขากันเป็นแจงบ่ไดเป็นต้มเป็นพัดบ่ไดต้องร่วมทักวันมีจิดใจทั้งเข้า แต่ถ้านน่องเดียวกันมันฝึกผลอบลมให้มันร่วมซะก่อนอย่งคอยทีนี้คืเจรหน้าทางอื่นต่อไปหัวแก่ไขฟองจิตของฟองใจหาเข้าบ่ลงบ่ร่วมซะก่อนน่องสิเป็นทีเจริญหน้าหลวกล้กนเอาทีเดียวมันทีเจริญหน้าใดเนี่เหมืนจังวะสามารถจิตเป็นเครื่องฝึก h a r ดัดจิตซะก่อนอย่งคอยจิตเกิดปัญญาใดบ่เป็น ขยันมันเกิดจากซ้อมฝึกไคโน่บอลนี่การลงการร่วมค้องใจะพี่แจน้าหลอกลนเอาได้ย่างนั้นให้กับพที่ใจหน้าเอาได้การฝึกใจหลงให้ร่วมจึงเป็นของสําคัญสี่หัวเข่าทุกขันถูกคนสี่คนฝึกฝนอบรมเหอะการฝึกการฝึงกันแต่ถ้ามันเช่นนั่นเป็นสมบัดิของเข่า ควาเป็นต้มบัตรของผู้อื่นถึงงากลําบากต้องบังคับเอาสัก่อนหัาโนบังคับมันก็บอเป็นบอกไปบอกได้บอถึงให้ต่างใจบังคับยิตใจของเขาถงเคและเหงื่อเลยหล่อนให้เขาดูความสงบความรลมร่วมได้มันก็เบาก็สบายถนัดใจยิดใจลงร่วมว่ามีจริงได้สิสะดวกสบายที่อย็นที่เย็นเท่ากันทั้ง จิตลงจิตล่วงเกิดส้มสะดวกสบายหลายหลางกายทั้งก่อนคือจังหวัดบ่มีแจ็คแมนมันนั่งยืนสถานที่ใดจ็กมันเบาใจยังเบากระดักกรดอกหลังกายเหมือนบ่มีกายข้อมเย็บข้อมปวดข้อมเงยข้อมมุ่นบ่มีมีคือข้อมร่อรอมของจิตของใจเบาหลายสบายหลาย ทุกไลน์อยู่ง่อความสุกสวนอื่นเหมือนจะหายทุกให้มันลงมันร่วมให้มันสงบมันลงมันร่วมได้แจะมีเวลาถอดเวลาถอนสินมายึดใจจากคนขนขวบที่จะหน้าตามสีนมันของมันข่ามันปิดต่างๆมันใสแก่ได้ถอนได้เพราะขนขวบไปด้านนั่นยึดใจมัน ล่ามันเหนื่อยมันเน็ดมันเหนื่อยในการคิดอ่านเขวนขว่ทางสัญญาแต่ให้มันลงมาร่วมอีกคิดจะคของนย้ยางน่ะเนเหมื่อีดยึดใจ่มันจะมีซนนั่นในการึกการอบร่วมหรือขาแต่ละขัางไปละข้าวไปละเหมือไปละวั่นยึดซึกเสียใจแลาเล่าบริสึทธึ์ปฏิบัติเช่นงามซ้อมดีอันใดมดหนึ่งมดลั่นไปเระเตลหนึ่งชื่อข้อมถึกเย็นติดยึดใส จึดดใจของเท่าเป็นยางนั่นขาดไม่ได้ท่ามกันยุตินรรมเสมอใจการตึกยังเต็มวันฟูทีเพนึกเพนอบรมของเพนมากพนนิเพนน่านเพนเพนอยู่ทุกการทุกเวลาเจติตของเพนเ็นมหาเตจิปัญญาของเพนเ็นมหาปัญญาอารมณ์ปัญญาความฝืนจิตในจิตในใจ แบบขึ้นเมื่อใดเช่นสองท่านอยมเมื่อนะ่ะเม่หลงและอารมณ์ตัญญานั่นเขามากอคิดคอใจรง น, าน้าันท่ากันไดมืจับัช่ไหมเมื่อมันบ่อนมันกระดิก น, ในใ่ิตมน่ายั้งคานปุงเมื่อใดรู้จับเมื่อนะั่นรู้ชเมื่อนะั่นมันเป็นไฟดีไฟตัวมูอจักท่านก็กันปุงพวกมันนับัญญาปอดแสบเขา ทีนี้ที่แกน่ะมันเป็นอย่างท่ามมาเป็นเรื่องอะท่ามยางไหนคว่นสิให้มันฝุ่งซอไปเรื่อยคว่นสิดับมันเป็นหลู่ท่านเป็นไรบอสนี่การเสียเวล่าซื้อเห่าพอเพ้นสามีสามหน้านี่การซืกิจหยุดซุ่มเห่าหนึ่งเมื่อซื้อให้มันละเอียดเข้าไปแล้วจะสิมันกล้าปัญญามันคมความเฉิดยวคม เน ง, งเรื่องลเอียดเรื่องชาวมองของ้าใจบอกไคในนี่เวงลาเกิดขึ้นมาทับผมจิตใจเพราะสต่ที่เนนี่ยูทูปการทุกเวล า, าปัญญาเพนนี่อยู่ทุกข้าวทุกสมัยเรื่องเชือกสาล่ามากเลบ่บอโคหนาเข้าไปาเรื่องของครับจิตครับใจท้องเพนได้เป็นฝีบเป็นลูรอบเข่าถึง ในการซึกการอบลมของคนมันเพียมลงไปหรือมันเจ ร, ริญ่นจะมีเสียจิตเสียใจเพราะความเพียมความเจริญปัญญาคนรู่แล้วพอใจแล้วนะจิงใดมันเสื่อมจิงนั่นมันกระดับเพียมลงไปบริษัเสียใจตามค่อนเพียมของมันจเจริญขึ้นบรไษัทเหงื่อไรตื่นตามซนะ่อนเจริญของมันรู้เห็นตามเป็นริงอยู่ยางนั่นผลที่สุด ส้างปฏิบัติของเทนสม่ำเสมอบตื่นคื่อเห่าคูอฟึกใหม่โอบร่มใหม่ต่อไปจิตใจของเทนเมื่อฟึกเ ข, าข่าคนเขา่าที่แกหน้าเขา่าใจละเอียดหยาบคายเข่าไปจนแกไขความทิศของข้องโลกทั่วไปได้นี่สร้างบริสุทธิ์พุทธโธอย่างนั้น บ่มีแต่เปลี่ยงเปลี่ยนกับจริงใดมีดจิตใจบริสุทธิ์ยุทกการทุกเวลา่าตีไปสีมาสิรับสี่นอนบริสุทธิี่ยังนั่นพอจิดที่บริสุทธนั่นมันบ่แมนถาดแมนขันมันแมนสัญญาอารมณ์ไปจักไม่คุกเพนต่พืชปฏิบัติมีอานิสงส์ของการซุดบ่ร่มจิตถึงที่ซุด ตามสำลับตามล่าหรือตามคูบายอาจารย์พันกาวไหวเต็มยางนั่นห้องทัวไปสิมึงมาสแสดงหาคุณงามความดีแตอยากจะมี่งซ่อมซุกท้องใจอยากจะเป็นผูุบริสุทธ์ว่อยากเย่อข้องในการเกิดการตายการหมุ่การไล่ในโลกอีกต่อไปกมันฝึกมันอบลมเรื่อยไรใส่ผู้คนถึงภูบริสุทธิ์ยังมดนิดขานแต่ฝึกมาอย่างพวกเข้าฝึกนี่แหละคอย ไสที่มิ่หน่อยเขียนที่ใส่ชื่อการเจ้เท่าเดินท่างานเก้าหนึ่งเก้านี้เก้านี้หนึ่เก้านั้นหลายก้าเขาใส่จากสถานที่เรื่อยใส่ใส่จากใส่จากที่เข้าักเข้าเศ้าคนที่พิดจะไปถึงจุดที่เขามุ่งหวังได้ไส่เก้าเดี่ยวบะหยอดวะถึงดอกอาศัยเก้าหนึ่งเก้านี้มีการประชิปฏิบัติ ไปาฏิบัติไปทุกวันทุกวันละไปทำบ่มเพี้ยนไปไปถือว่าเรลานี่มันหนาเรื่อวละน่าั่นมันหนุนมันมีผู้ใดมันสบายดอกโรกอันนี้แต่จะคว่ำยนาคว่มหนุนเท่านั้นเจาคว่ำหนาความหนุงมาเป็นเสี่ยงพักดันเอาคว่หนาความหนุนมาเป็นเนวหนาเห็ดยังบ่ได้ข้าอยู่เท่านั้นหาเี่งสั่นมัมีคนผู้ใดมันง่ายผู้ชทเจ้าก็บรรงง่ายยนาจิ้ว แถบหล่มแถบตายพอคนจีนในคุณงามความดีมะสอนโลกถาริยาเจ้าทั้งหลายขายงาแสนงาลาบากแสนลําบากบางขันบา ง, ง, งองค์อดรับอดนอนเจนตลอดไปมาสามเดือนจนตาแต่ยังไม่จักทู่บ้านไม่ยอมรับยอมนอนหากมาผนบกเกิดขึ้นได้คิดได้ใจถีอว่ายอมเปลี่ยนนอมนอนเลยต่างคิดต่างใจแตอย่ายงหันท่ามข้อมเสี่ยนกัน ยังทะมัดทะมึนเหนน็นที่ชุดตาแปกตาเนียตาในจะได้ซ่อมหลูล่ความสลาดขึ้นในระยะตาเนีเ่ยเวจนแปตกจนหลู่แจงแ้งสลอดในถ้แล้วก็บอกเป็นปัญหาอันใดส่ซ่รักตาเนีเ่ยเวลาเห็นหลูท่ทั้งจิตทั้งใจสิ้นถึ ง, ถง ยางไบมันบาดข้าวนี่มั้ก็ต่ศีรข้าวตายให้ละข้าวรับตา